พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันหร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเป็นเจ้าภาพต้องเตรียมพร้อมฮัลโหลอ้าวฟังบาด อยวไปหาคุยกันว่ะอ๋อเป็นภาษาใดด้อดีเนอะเหภาษาญวนหรือภาษาเล่าหรือภาษาไทยว่ะหรือภาษาผู้ไทยว่ะเอาภาษาพุ้ไทยลงมาหน้เนาะเมื่อเดี๋ยวภาษาพุ้ไทยก่อนว่ะประเดิมแรกเดยวันนี้เป็นวันที่สี่ พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ออกพรรษาวันที่23และก็ถินวัดของหลวงพ่อกับวัดบ้านห้วยทรายนี่ตรงเดียววันอาทิตย์ที่27ตุลาแต่ว่า <c oughs> พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจ อย่างมากอยู่หลวงพ่อได้ฟังกิติทรัพย์พราว่างานหลงปูยั่งยู่แล้วก็หลวงพ่อเขาไม่ได้มาในงานกระถินเพราะตรงกันาทางพุ้นกันยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าในภรษาหลวงพ่อเขาฟังเหตุการณ์อยู่ตลอด ว่าไปยังไดตั้งแต่พูดแล้ตั้งแต่ประชุมกันตั้งแต่เดือนมกราที่หลวงปู่เฮาหลวงรับรับคันไปวันที่19บเกามกราห้ากพรนันเก่าก็ได้ไประชุมกันหลายครั้งจนเชองเดือนกุมภาก็มีได้รับหมายออกมาว่าจะมีการเส ด, ด ก็หลวงพ่อก็เออถ้ า, างั้นก็เลิกกันก่อนก็ต่อมาเข้าก็ได้ไม่ได้เตรียมการเท่าที่ควรบางนี่เพราะว่ามันระยะมันยังไกลอยู่ตั้งแต่เดือนกรุ่งผ้าหนาวฝนวเวลาเข้าเตรียมยังไหวฝนมันก็ด ท, ทตกห่อมันก็ดิีพุพังสังขยาดไปตามเรื่องของฝ่าฝน คนนั้เท่าจะไปหาเห็ดบางซีงบางอย่างที่มันจะเสียหายกบับบัวใดต้องร่อให้เม็ดฝนสะกอนแต่บางซีงบางอย่างกับถ้ำมากจังมือนี่แหละมือวา่าพอหลวงพ่อมาหอดวัดเลยหลวงพ่อกับคำคำเลยหลวงพ่อยังออกไปเบิ่งอยู่เลยออกไปเบิงเเบ่งเมนไปเบิ่งเมนไปเบิ่งถนนก่อนรู้เชื่อกว่าโอเป็นที่พอใจย่างมาก เห็นเมนและเห็นถนนลูกหลานเหตต์รองรับไว้แปลว่าพอเกือบพร้อมแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาก็ประมาณทัก70เอซที่พวกเ่าพร้อมแต่ก็ยังที่ว่ายังเตรียมอยู่ห้องน้ำพวกห้องน้ำห้องส้วมพวกน้ำาะครับพวกอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชน ที่มาในงานลงปูเข่าต่อมาเพลินก็เลยบอกเปลี่ยนมาใหม่ก็บเพลินบอกว่าเพลินติดภารกิจก็คงพวกเข้าคงจะบอก่อกมีปัญหาเพราะเหตุว่าเข้าเตรียมไว้นานพอสมควรแล้วงานของเข้าเรื่องเมนเรื่องผึลือก็คิดว่าน่าจะสมควรน่าจะไม่ไม่คู่ครระฮะแล้วก็ ผ่านหน้าฝนไปแล้วท้องไห้ท้องหน้าก็คงจะเป็นที่จอดรถจอดลาได้เดือนม ก, กราแล้วพวกเข้าเดือนท่านว่าเข้าน้ํากันแล้วหมด้เลยผลจิตพฤติกาท่านว่าเนี่ยต้นเดือนท่านว่าเนี่นักเขาน้ำครบพวกเขาก็คงจะเซจแหละคิดว่าเป็นสถานที่จอดรถจอดลาได้เป็นบางส่วนแล้วก็เรื่องน้ําเป็นพล ด, ดีสําหรับ พวกเข้าอีดเรื่องน้ําถ้าวันเป็นเดือนมีนาเมษาไปละเรื่องน้ำเนี่ยปัญหาเพราะว่าในทิ่นเข้าเป็นทิ้นเรื่องน้ำเนี่ยต้องได้คิดนักอยู่แต่ว่าทางว่าเป็นเดือนม ก, กราเนี่ยในวันบ่มีปัญหาเรื่องน้ําคงจะกักกันน้ําห้อยใายของเข้าขึ้นมาไช้ในงานของลงปู่ของเข้าไดนี่แหละเรื่องแผนการงานแต่มื่อ น, นี้ หลวงพ่อมาในกมาถามความพร้อมดูความพร้อมของงานจะมาพบกูบายจานในพวกผู้ส่งคุนวุฒิคล้ายๆกัว่ามาเทิดทีแรกออกพรรษามาพอได้หมายกำหนดการออกมาแล้วกมาถามเออไปนั้นเลยเมื่อเลอะเขาจะได้ไปชุ่มเดียวต่อไปเนี่กับคงจะไปชุ่มกันในระหว่างพระสงฆ์ กับผู้ใหญ่บ้านกำนัลในท้องถิ่นของเฮาพวกเฮาของคงจะได้มาประชุมพร้อมกันแต่ว่าร่างงานน อ, อื่นงานเตรียมพร้อมนา้ อ, อื่นพวกเฮาก็ไม่ได้ฉะ ล, ล้าใจล่ะเอออเ็ดไปเรื่อยๆคือกันกับพวกนี้แนะ่ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้องน้ํานี่แหละเรื่องห้องน้ําเป็นหน้าที่ของพวกเฮาโดยตรงแต่ว่าเรื่องเต็นเนยเดี๋ยวเฮาได้ไประชุมกันแล้วเนะี่ยหลวงพ่อจะหา วิธีการคือกันเด็กคงจะเอาเต็นท์พวกนั่นแหะเต็นท์ไอช้างที่หลวงพ่อเคยเอามาใช้แล้วก็เต็นท์ทางอุดอรแล้วก็เต็นท์ของหลวงพอ่อเต็นท์พวกนั่นแหะคงจะใช้เต็นท์มากอยู่ข้าวนี่เรื่องเต็นท์ก็คงว่มีปัญหาแต่เรื่องไฟเรื่องไฟเขาคงจะว่ ม, มีปัญหาเพราะเราเอาใช้ไฟทางมอไฟหรือว่ารถไฟ ที่เขาออกมาใช้ในงานสนามคงมัมีปัญหาแต่เรื่องนักใจที่สุดข์ก็เรื่องเรื่องน้ำห้องห้องน้ําห้องส้วมนี่แหละเรื่องห้องส้วมแล้วก็น้ําไปหาห้องส้วมเพราะไปเห็นผู้ผเลอมากก็โดยมากก็มากคนก็อาบน้บาําบังเขาห้องน้ําบังก็ต้องได้ใช้ห้องน้ําอย่างมากเนี่ยหลวงพ่อไปเฉลอหลวงพ่อก็คิดกำมีงานใหญ่พอมาเมื่อวานนี้เือกัน มาวันก่อนมคมาทอดกรถินอยู่ที่วัดธรรมเกียรสมพานวัดธรรมเกียรก็เป็นผู้ดูแลเรืเ่องน้ำสำหรับงานศพของครูบาอาจารย์งานใหญ่ๆใที่นีนี่แหละมีอาจารย์แปะอาจารย์ตุ๊ออสององค์เนะนี่ในงานพุกงานของครูบาอาจารย์เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้มา มาวานเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อวะที่มาทอดกระถิ น, นยวัดธรเกียนี่นะมาเพื่อผูกสัมพันธ์ทําไมตรีหลวงพ่อนเนี่ยเนี่ยผูกสัมพันธ์ทําไมตรีพว่เข้าไปทอดกรินวัดเพื่อน่ะเขาก็ขอร้องไห้เพื่นมาชอยน้ำํำนะไอ้มาช่วยน้ําหลวงปู่นะรูร้านนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเชียร์ไปทั้งเปิดงานง่ายงานกรถินงาน สาธารณประโยชน์งานสาธารณชนเป็นไวแต่งานวันเกิดผลเออบันงานวันเกิดไปกาเว้าเพราะางานวันเกิดเ่พ่อเลี้ยงลมเลีล้ยงตายเลยแต่นี้เป็นงานถ้าว่าเป็นงานกรถิ่นหมองานสาธารณะรือหลวงพ่อเขาเว้าเลยเออพระสงฆ์ทั้งหลายน้องนุ้งทั้งหลายเอ้ยเงินละงานของหลวงพ่อจามเฮานี่ยไปชุมเพิงพระราชทานเพิงวันที่ห้านะวันที่หามกราห้เจ็ น, น้องลุงทางหลายกู้บายจานทางหลายไม่ต้องนิมนต์เนอนี่หละหลวงพ่อนิมนต์แล้วเนี่ยเนี่ยอไปได้เลยนิมนต์เนอะพอหลวงปู่จามเป็นหลวงอาของหลวงพ่อเป็นน้องชายของหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าภาพในงานถวายงานพระราชทานเพลิงจารีละของหลวงปู่ เพราะนั้นบุคลานทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายไปได้โรเดอร์ย่อมดเนอะพี่น้องประชาชนจัตไทยญาติโยมก็เหมือนกันออย่าไปถือเป็นอย่างอื่นถ่ายความรักเคารพในหลวงพ่ออินก็เ น, นี่ยแหละให้รักความเคารพในหลวงปู่ด้วยหลวงปู่เป็นหลงอ่าของหลวงพ่อเนะศรัทธาญาติโยมเนอะผู้ใดคิดใดๆที่จะไปช่วยงานของหลวงปูก่ก็เออไปช่วยๆกันเนอะ เป็นบุญเป็นกุศลพอลงปูเนี่เพิ่นบวชมาแต่งโนมน่านอายุเพิ่นถึงร้อยกว่าปีเพิเ่นยังได้หลวงลับดับขันได้มรณะภาพเพราะนั้นลูกหลานวันที่หาจาไม่เนอมกกะล่านเอร์หาเจสเนออันนี้หลวงพ่อก็นเทมบอไปในงานทุกงานเพื่อประป ก, กาศประชาชนธ์ต่อไปนี่ก็คงจะประกาศทั้งสถานีวิทยุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ รับหูรับศาบเรืองงานพระราชทานเพิงศิริละของหลวงปู่ของเฮาวันนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคูทุกคนเนเข้มแข็งเนี่ข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวที่ทุกคนทุกสารทิศที่มาเยี่ยมเยียนมาเบิงบ้านของเฮามากราบคารวะมาพระราชทานเพิงสิริละของหลวงปูเ่เฮาขอให้ลูกหลานทุกคนเข้มแข็งเออเป็นถือว่าเป็นหน้าทีเลยแหละ เป็นหน้าที่ของพวกเข่าลูกหลานทุกคนหลวงพออ่อจิตประ ก, กาศโบมันสิ่โย น, นให้ผ น, น้นั้นโยนให้ผูนี้ขันโย น, น เ, เอเอบันก็เฮ็ดยังไดงล่ะอมันห่าขายนาเมื่อขายนาเมดบอานเมด่อเมืองคือกันด ข, ขายนาหลวงพ่ออินเป็นอันดับแปลกพ่อหลวงพ่ออินเป็นอถ้าจะว่าไปเลยจะเป็นประธานในญาติพี่น้องทางหลาย đây. เยาดย์ญาติพี่น้องทางหลาย หลวงพ่ออินเป็นผู้นำเป็นผู้มัลผู้เก่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อยังบอกพวกคณะักทายญาติโยมของหลวงพอ่อเฮอชอยๆหลวงพ่อเด้อข้าวนี้นะอ่าพหลวงพ่อมางานนักนะนี่แหละอันนี้ก็ขอใหอ้พี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนะเมื่อนนี้ก็มาเบิงแล้วก็คงจะกลับไปอี พี่เหิงนี่ยสักสามสห้ากมื้อก็คงจะกลับมาคราวนี้ก็คงจะตั้งรักอยู่เลยละบาทนี่คงเจา้าพระสงฆ์ในวัดของหลวงพ่อนะ่ยมีเท่าเลอหลวงพ่อก็จะระดมพระมาในวัดสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็พอจะหูงจักผู้เลือหลวงพ่อก็จะเรียกไปหาขอความช่วยเหลือไปในสถานที่ต่างๆเอามาช่วย งานของหลวงปู่ของเขาเคยสำเร็จรุลวงไปด้วยดีเพราะงานอันนี้มีเม้นงานมีแม้นงานธรรมดาทุกคิดว่าหลวงพ่อเองกับมั่นใจเล้ว่าทางาจังหวัดทางภูวาราชการจังวัดทางหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรล่ า, าคงจะหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็คงจะว่างแผนในการต้อนรับครับซู้จากงานของต้อนรับพี่น้องประชาชน เข้ามาในจังหวัดของพวกเขานี่แหล ะ, เ, ะเป็นการโปรโมทของจังหวัดทหาวาคิดในการโปรโมทน ะ, ะาหหคิดในการสาธารณะด้วยงานโปรโมทแล้วก็มหาโปรโมททีเดียวละ่ะเพราะเหตุใดพองานหลวงปู่เนี่ยคนหูจักมัดแม้อันจะอยู่ในเมืองไทยต่างประเทศสิงคโปร์มาเลเแถวนี้นะเขามูจักเขาคื อ, ยอยคงจะเข้ามา ในงานพระราชทานเพื่อสริละของหลวงปู่พวกนั้นการที่มาดูมุกดาหารก็คงมาจากจากจาตุรธิษมาหลายมู่หลายเล่าขี้เดี่ยวนะขันมาเห็นแล้วก็มุกดาหารมีตะโจนผู้ร้ายมีแตง แ, แต่คนบดอดีมีตาดการตอนตอ น, ตอนรับคับสู้ก็มีแต่ น, นักเลงโหรไมมีให้ความสนใจกับแขกกับคน เ, เขามาเห็นแล้วก็ช มาเหยียบมุกดาหารมาเหยียบเธอเธอเดี๋ยวท่อนี่ะาชบามาไกลจักเธอจนหอดมือตายขอเถะเขาสิวาจังสั น, นเลยเพราะว่ามาแล้วมันปรได้รับความอบอุ่ขนขณะว่ามาหอดแล้วพู้เข้าต้อนรับครับสู่เขาดีอาหารการมเมลิโผกแนะนํามีน้าจิตน้าใจมีสัมพันธ์ทำให้ตรีพระสองฆ์องค์ก็เจา้าคูบาอาจารย์พี่น้องประชาช้อนกันอให้ความเคารพให้ความยา เกรงให้ความรักให้ความเมตตาต่อเขาเขาก็มีความมีน้ำใจเับเผาคือกันลูกหลานเลยนี่แหละเบิงเบิงเนอให้ซอยๆกันเบิงงานหลวงปู่เขามีแม่นงานน้อย้ะงานสร้างขะขะก่อนไปไอ้หลวงพอที่ฟังอยู่ทางนอกนี่มีแม่นงานธรรมดางานใหญ่ไอ้เพราะนั้นพวกเขาที่เป็นลูกเป็นหลานอยู่ในหมู่บ้านกันชยๆกันดูซ่วยๆกันแล่นั่นแหะ นี่แหละทางไฟทางน้ําที่กระหลงพอ่อวัวเรื่องน้ําอาจารย์แปะอาจารย์ตุ้กเรื่องเม็ระหลงพ่อเขามอบให้อาจารย์ตาเป็นภูดูแล้วก็คงจะเอากูาบาอาจารย์หน่อยคงมาเบิงเบิงซอยกันเรื่องสายฟงสายไฟเรื่องคงจะมีกุบะอาจารย์ลายองค์ พอมาช่วยๆกันพองานเนี่ยมันไม่ใช่งานผูนึงผู้เดียวเป็นงานหลายๆคนแ ล, ล้วหลวงพ่อเขาบอกกับอาจารย์แจวอยู่มือขึ้นอาจารย์แจวเอ้ยัารงานได้ก็ตามกานมีผูเสนอมาเขาจะมาร่วมทําบุญเบิ่งแล้วเป็นหน้าที่น่าเชื่อถือเป็นมาด้วยใจจริงจริงใจแล้วมีศรัทธาแล้วเป็นผู้ ออกมาของมาถวายที่เฮ็ดยังก็ตามเบิ่งแล้วเออมันบวชคิดมันบวชขัดต่อปฏิบปทาของหลวงปู่เฮ้าเนอะร์มิ่งจะส่งเสริมเพื่อจะช่วยงานแห่งานสําเร็จรูปหวงไปด้วยดี เ, เป็นสางาล่าสีโดยจิตศรัทธาบูชาประคุณของหลวงปู่เฮ้าเอ า, เอารับเลยเพราะว่ามีศรัทธาซอยกันคนละไม่คนละมือคนละมุมแต่ว่างานใดก็ตาม กานว่าเกี่ยวครับจะได้ใช่เจตุปัจจัยแล้วอของวัดแล้วก็เฮ้าโมเมนค์ขวนลุยเด๊เฮ้ายังจนอยู่เด้มันจ้องจะได้ใช่ไปไพ่ภาคนาเฮ้าจีใส้เฟอเฟอร์อะไรเด้บารหางานหลวงปูแล้วเป็นหนี้เป็นศีนหัวโตวมันโมแมนแนวเด้๊ต่างคนต่างโดดหีบาร์ห้าแล้วไพเป็นผู้รับใช่หนีอสิขายวัดบ่อนวยไสย้ไพ่ก็จะมีผู้ซื้อบปล่าแฮ่ ขายวัดหัวขายวัดป้อนหัวไส้จะมีผู้ซื้อบุญละเอาเข้าธนาคารมันคงมีผู้ซื้อเด๊ เ, เพราะนั้นอย่าให้เป็นนี่เป็นศินเนะเอะก่อนที่ใส่ไอ้ยังต้องคิดให้ดีคิดให้อรอบขอบออย่าให้เป็นหนี่เป็นศินอย่าให้ทํามันยังเกินตัวเจ้าของให้เบิงเจ้าของพอเหตุได้พอาะลงปูของเฮ้านี่ยผลหมักง่ายเด๊เะ ฝนยังสร้างแล้วสร้างอีกบรรฮากูตายไปเนี่ยไม่ต้นมะขามเออยู่สวนอิม่วงตัดมาโหลดมาเผากูเผาเผาเฮ็ดเผาเผาทัานเ อ, อาไว้โดนๆเนี่อแม่มีแต่งแห้งข้อค่ำ ม, มีแต่งแห้งหัวคอดเออมีแต่งกีกามันคือมา ก, กินศพเด้มันสีเดือดร้อนเด้ เ น, นี่ยนี่หลวงปู่ก็เคยเว้าเาเคยจ่าคันหักว่ากูตายไปแล้วนะคนทั้งหลายมานเดี๋ยวก็จะมาลมโง่ล้มควายล้มหมูมากาไก่มาเลี้ยงในงานศพของกูเน่ะไม่ได้นะเป็นบาปน ะ, ะจะมาสนุกสนานไม่ได้นะสูตรงเบิงนะสูฟ้องตรงเฝ้าเอ็ดเฝ้าแล้วนะอันนี้ก็คือหลวงอา คนสั่งแล้วสั่งอีกบอกแล้วบอกอีกแต่พวกเราครฝืนของเพลินเพื่อจะเพื่อเป็นสนาราศีเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณของเพิินพวกเข้าจะได้เอาไว้จรงจีงแหละประกาศให้พี่น้องลูกหลานประกาศกีฏที่ทรัพย์เกียรติคุณของหลวงปู่ของเงาให้ดังหรือว่าให้รับรู้เรื่องลือเพราะเพิินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคนทุกมูทุกเราพวนั้นพวกเข้าที่อยู่ไกลเขาจะมุบมาัเพิดเอาเลยมันก็ดูดูมันก็ไล่อยู่มันบอกกวางบอกขวางแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะกวางจะขวางเฮ้าก็ต้องบึงบึงตะกรว่าผู้พี่น้องทางร้ายนี่ยเป็นที่มาซอยเฮ้ามากบอคันว่าเฮ้าไม่แต่ควักกระเป๋า พ่มเท่ลงไปจนเป็นหนีเป็นศิล์นมันโบแมนปฏิปทาของหงหลงปูเฮาได้หลงปูเฮาเนี่มักหน่อยสันโดษได้ออบอกง่ า, งายๆได้เหตุง่ายๆได้หลงปูเฮาที่หลวงพอบอกเนี่ยนิแมนบอหลวงพอบอกกอกเสืหูพวกเฮาได้ลูกลานทุกคนได้ขันหวงพ่อไปเบอกหมู่อื่นเออหลวงพ่ออินบอเอาหนาเจ้าของ ขันบ่าจึงสืบบ่าวใ่หูพวกเฮาเนี่ลูกหลานเนี่ได้ยินบ่จังสิได้ยินบ่ทวถีหลงปูบ่าวจังสิหลวงพ่อขะมันเจอขนาดนั้นแหละเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกครูทุกคนเนี่หลงปูเฮานี่มักเป็นชอบง่ายๆเด้มันมีชอบมีไม่ได้ชอบยะเด้ไม่ได้ชอบเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวเด้เพราะนั้นพวกเฮาทุกครูทุกคนเนี่เอ็ดเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเอ็ดโดยศรัทธา นั่นแแสดงออกซึ่งน้ำใจต่อ ก, อ า, การที่ใช้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เบิ่งตะกอนอย่าให้เกินตัวอย่าให้เกินเจ้าของอให้นักผู้ใดกบดีทั้งหมดะจะไปหวังพึ่งผู้ใดกบดีทั้งหมดพยายามหวังพึ่งตนเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็หลวงพ่อก็เตรียมไว้คือกัน เ, เตรียมไว้คือกันที่จะช่วยงานของหลวงอานเนี่เต็มที่คือกันวันหนงไปไม่ถอยวันหนงไปแต่ว่าขานาดไห น, น มันก็บมดก็คือกําลังมดเนะเอยหมาก็กําลังหมาเนี่ยหมูก็กําลังหมูงัวควายกําลังของภผ่ของมันสางกําลังนะ้าง่ะองรถจักรรถไฟ เ, ออเครื่องบอกเครื่องปินกําลังเพล่กําลังมันทั้งหมดัดโดนไปเฮาจะกําลังไหนเฮาูจากแก่เฮาเฮากํ า, าลังหมดปะหมดตัวน่อยให้หมดตัวย้ฮยยังทีละ่ะอันนี้คือคือกันนะัออ่นแหละ เขาเต็มเต็มกําลังของภัยของมั่นแต่กําลังของเข้าเนี่ยมันจะไหวบอสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับลูกกับหลานกับผู้เกี่ยวข้องทุกคู่ทุกคนเนอนะสรุปแล้วก็คืออย่าใจย่อยนะไปถ้าใจย่อยเมื่อไหร่เออมันจะทุกตนเองนะมันจะทุกตนเองเพราะมันทุกขเขามากก็กระโดดหนีไปคนอาทิตย์ค้นอาทาั่งไปไหนเพระเหตุใดเพราะว่ามันสูบบาไหวเลยเอามันหลับเบาไหว วันในพวงเข้าซอยกันคิดซอยกันทำซอยกันประหยัดช่วยกันทํางานหลวงปู่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อ, อย่าไปทะเลาะวีวาากัน อ, อย่าไปทกเถียงกันาขายขีนาตอบพี่น้องไปชาคนทั้งหลายมาเบิงเขามาเบิงการเบิงงานมาเบิงความพร้อมมาเบิงความเรียบร้อยมาเบิงความสวยงาม มาเบิ่งูุซิดลูกค้กาเพื่อความเคารพสักกะบูชาในองค์หลวงปูพอมาเห็นนะ่มีแต่มัดมีแต่ม้วยมีแต่นักเลงเมีแต่แต่โมโมโหโก้ท่าให้กัน เ, เป็นเบิ่งมันก ร, รเกิดจัดท่าเห็นเยเป็นโอ้โหตายหลวงปูพ่นสอนหนึง่งสี่บ่สอนพระสอนเน้นสอนหลูกสอนหลานของเพลนนี่ฮะหลวงปูมาคือยังเพลนมาอดมันก็นยังบ่อยเฮ็ดยมีแต่คอะหัวห มีแต่ยิ้มให้ลูกให้หลานนะบาดหาลูกหลานก็ยังมีแต่ยักแต่โขแท้เนะี่ยเขาก็จะได้เบิงข้อเข้าอีกมุมม่งนึงได้เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะเป็นผู้มีน้ำใจสรุปแล้วนะตอนนี้ไปรับพรบาด